อาก็เรียกว่าลงตัวนะได้ขนาดนี้ก็ถือว่าบุญมากแล้วเช้านี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่อาศัยพลังแห่งศรัทธาซึ่งอยู่ในจิตใจของเราเป็นกำลังทำให้เรามุ่งมั่นบากบันขึ้นมาจนถึงมูลคันทะกุดีซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าอาตมาเคยมาที่นี่ครั้งแรกอะ่ะโอ้โหมีความรู้สึกเหมือนได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าตรงนี้เลยนะ ใจมันคล่ำครวนมันพละนาพละนากับตัวเองนะคุยกับตัวเองมันพูดของมันเองอมันเหมือนกับว่าได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วมาถึงสถานที่ที่พระองค์ทรงประทับอยู่แล้วทำมาอะไรที่พระองค์ทรงอบรมสั่งสอนที่ประธานเอาไวนะ้เนี่ยข้าพระพุทธเจ้าได้ตั้งใจประพฤติธปฏิบัติจนไม่มีอะไรค้างคาหลงเหลืออยู่ในจิตใจแล้ว ขายๆายกลับมาพลรนามาปลารบกับพระพุทธองคอ์ต่อไปนี้ข้าพุทธเจ้าจะทุ่มเทกำลังกายกำลังจิตใจที่มีอยู่นี้เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระองค์ให้เกิดคุณประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ได้มาครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าลึกซึ้งในจิตใจนะ มีความรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมที่นี่โอช่างประเสริฐเลิศเกินดีเลิศเกินสมกับเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าจากนั้นไม่เคยลืมเลือนเลยนะถ้ามาอินเดียเมื่อไหร่ก็นึกถึงเขาทิ่เชกูดเหมือนเป็นที่ที่ลึกซึ้งอยู่ในจิตใจของตัวเองที่อื่นก็ลึกซึ้งเหมือนกันแต่ที่นี่มันเหมือนกับว่ามันได้มาปลาลบกับพระพุทธองค์อะความในใจของเราใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม แต่เราเหมือนกับว่าได้มาปารบกับพระพุทธเจ้าเหมือนได้มากราบทูลพระพุทธเจ้าความในใจของเราเหมือนกับได้มาเปิดเผยถึงที่สุดเราก็สบายละจากนั้นก็สบายสบายใครจะรู้ใครจะไม่รู้ใครจะยอมรับไม่ยอมรับเฉยเฉยเหมือนกับว่าได้พูดกับพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วเมื่อเรามายัางสถานที่แห่งนี้ก่อนอื่นนะ ที่ทางที่เราผ่านขึ้นมาเนี่ยมันก็มีตรงที่ใดที่หนึ่งะนะที่พระเทวทัตะกลักก้อนหินน่จะทํำลายพระพุทธเจ้าจะตรงพระชนของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งสะเก็ดหินเนี่ยแตกไปกระทบนิ้วพระบาทของพระองค์อ่ะจนห่อเลือดคือมันก็ทําให้เรานึกถึงกรรมของพระองค์เหมือนกันนะหมายความว่า ที่ประลบขึ้นมาก็คือว่าเราจะมีกรรมหนักห น, กหนาสาหัสสาการขนาดไหนถ้าเรานึกถึงแม้พระองค์ก็ตามพระพุทธเจ้าก็ตามมีอนุภาพขนาดไหนประเสริฐขนาดไหนแต่เวลากรรมมันให้ผลนะ่ะมันหนีไม่ได้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันแก้ไขไม่ได้กรรมก็คือกรรมแก้ไขได้อย่างเดียวคือจิตของเราให้ยอมรับมันแล้วก็ให้อยู่เหนือมัน เพราะเรามาถึงที่นี่เราก็ปารบถึงพระเจ้าหลายแง่หลายมุมก็เพื่อจิตของเรานั่นเองถ้าเป็นจิตของพระพุทธเจ้าสะอาดบริสุทธิ์หมดจดแล้วถึงจะมีอะไรมากระทบพระวรกายจิตของท่านก็ไม่หวั่นไหวหรือไปในหลายหลายที่บางแห่งไปบินทบาทพวกรับที่อื่นๆื่นปริพาชกเขาก็จ้างคนไปด่าไปด่าว่าร้ายเพราะเหมือนกับว่าจะมา แข่งขันกับเขามาแย่งเอกราบกับเขาเนี่ยคนเราเนี่ยทําดีขนาดไหนก็ตามขนาดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีคนอิจฉาตาร้อนอยากจะทําร้ายอยากจะให้หนีไปอันนี้ก็เป็นเราก็ต้องน้อมเข้ามาถึงตัวเราเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราหน้าที่ของเราก็คือรักษากจิตเราให้ได้จุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้นะ ร่างกายเนี่ยเราก็รู้แล้วแม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าสุดท้ายก็ต้องแตกดับสลายไปเสื่อมสิ้นสลายไปตามธรรมชาติของรู ป, ปรกายของร่างกายพรนะพุทธเจ้าก็ตัดเอาไว้แล้วว่ารูปรูปกายประกอบด้วยรูปหลายหลายรูปมันไม่ใช่ว่าเป็นกายโดดโดดเป็นองรวมอยู่นะจริงๆแล้วนะมันมีส่วนย่อยย่อยย่อยย่อยประกอบกันขึ้นมา ถ้าเป็นธาตุใหญ่ๆก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประกอบกันขึ้นมาแต่ถ้ามาประกอบกันถ้าแหงว่าในส่วนของร่างกายเราเนี่ยถ้าเรามองใครก็ตามมองมันจะมองไปที่ภาพคนนั้นภาพรวมแต่ถ้าย่อยลึกเข้าไปลึกเข้าไปเนี่ยมันมีหลายหลายส่วนย่อยย่อยย่อยเข้าไปจนถึงเซลล์นวล อ, อนูปลัมนูอยู่ภายในลึกๆนวล อ, อิเล็กตรอนปโปรตอนนิวตอนมันทํางานมันเคลื่อนไหว อยู่ในตัวเอเกิดดับเกิดดับเสื่อมสิ้นสลายไปพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านท่าลึกซึ้งท่านเข้าไปถึงภาวะเหล่านี้เห็น<ม>ทั้งรูปทั้งนามเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดดับเป็นกระแสความเกิดดับเฉยๆแต่ของเราเนี่มันเข้าไม่ถึงอะพอเข้าไม่ถึงก็เป็นเราเป็นเราเป็นเราเนี่ยอั น, นาความหลงเนี่ยมันมันยิ่งใหญ่มากเลยนะ ขนาเราได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าแล้วบางทีจิตมันยังไม่เอาเลยนะคือถ้ามันถ้ามันยอมรับได้มันไม่มีเราอย่างเงี้ยมันก็มันก็ปล่อยได้เรื่องราอะไรมากระทบก็ปล่อยได้แต่ที่ปล่อยไม่ได้นี่คือมันเป็นเราเนี่ยความเป็นเรามันเหนียวแน่นมันหนาแน่นมันลึกซึ้งมากจะได้ยินได้ฟังอย่างเดียวอ่ะจะให้มันเข้าใจไปเลยให้มันปล่อยให้มันวางให้มันยอมรับได้สนิทใจมันเป็นไปไม่ได้ ก็ต้องมาเจริญอริยมรรคคือเริ่มต้นด้วยการเจริญสติมันก็ไม่พ้นทางของพระพุทธเจ้านะการปฏิบัติเนี่ยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงรับรองว่าเนี่ยทางที่พระองค์บอกพระองค์สอนเนี่ยที่ยพระองค์ประทานเอาไว้ให้เนี่ยไม่มีในรัที่อื่นไม่มีในศาสนาอื่นไม่มีศาสดาใดที่จะเข้าถึงความลึกซึ้งตรงนี้ได้ทั้งทั้งที่มันเป็นความจริงนี่แหละแต่สติปัญญาเนี่ยมันเข้าไม่ถึง เพราะบุญวาสนาบารมีที่สร้างสมอบรมมามันไม่เพียงพอไม่เหมือนพระพุทธเจ้าของเราการที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอันนี้แหละเป็นถ้าเป็นบุญก็บุญมหาศาลเลยนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในโลกนี้นะเราจะได้เงินได้ทองข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยอะไรก็ตามเราแค่ใช้สอยตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เท่านั้นนะ แต่พอตายไปแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยอ่ะแต่ธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมันลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตใจใจเราพร้อมมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติตามพอเราเข้าใจแล้วมันลึกซึ้งเข้าไปถึงใจแล้วเหมือนกับมันอยู่ในจิตใจของเรามันลึกซึ้งเข้าไปในจิตใจของเรายิ่งเวลาเราปฏิบัติสติมันเกิดขึ้นกับจิตของเราสติมันควบคุมจิตเราได้จิตเราเป็นสมาธิ เนี่ยมันเข้าไปถึงใจเราเราจะสามารถมองเห็นได้ในความรู้สึกของเราว่าเออตอนนี้วันนี้เดี๋ยวนี้สติเราดีขึ้นแล้วสมาธิเราดีขึ้นแล้วกำลังจิตใจของเราดีขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้มันรู้ด้วยจิตสิ่งที่มันรู้ด้วยจิตเนี่ยมันอยู่ลกึกมากมันเข้าไปในจิตเพราะฉะนั้นทำไมคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยบางคนทาสมาธิก็ง่ายบางคนทาสมาธิเนี่ยเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นบางเรื่องนี้บาง เดี๋ยวก็กลับคือเข้ามาเดี๋ยวก็หลุดไปอีกอันนี้ก็คือถ้าใครทํามาน้อยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อนส่วนคนที่เคยทํามามากแล้วเนี่ยแค่ดึงจิตเข้ามากําหนดจิตเข้ามามันก็มาอยู่แล้วมาอยู่กับตัวเองได้แล้วแต่ก่อนที่จะมามาได้ผลเร็วอะไรอย่างนี้ก็แสดงว่าเคยทํามามากแล้วผลหน้าที่ตั้งแต่ละคนก็คือต้องปฏิบัติให้เต็มที่เต็มกําลังสติปัญญาความสามารถของเรา เราไม่ไปแข่งกับคนอื่นแต่แข่งขันกับตัวเองบอกเอคนอื่นเป็นยังไงนั้นเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราเนี่ยก็คืออยู่ในจิตใจของเราเราก็ต้องเข้ามาดูที่จิตใจของเราแล้วสิ่งสำคัญก็คือความเพียรความพยายามความอดทนมุ่งมั่นบากบั่นนี้พระเจ้านี่เน้นที่ความเพียรศาสนาของพระองค์นี่เป็นศาสนาที่พูดด้วยหลักกรรมกรรมวาทีต้อง ขึ้นอยู่กับการกระทำไม่ใช่อ้อนบอนไม่ใช่ร้องขอถึงจะตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานก็เพื่อให้เรามีความเพียรมีความมุ่งมั่นบากบันที่จะปฏิบัติตามมีกรรมคือการกระทำแล้วก็มีวิทยวาทีเป็นคำสอนที่ว่าโดยต้องมีความเพียรความเพียรในทีเนี้ถ้าความเพียรที่สูงขึ้นไปเนี่ยเป็นความมุ่งมั่นบากบันไม่ท้อถอย มีอุปสรรคอะไรก็ตามก็ไม่ทอดทิ้งเพียรอยู่อย่างนั้นพยายามอยู่อย่างนั้นแก้ไขพยายามมีเป็นความเพียรเรียกว่าวิริยะเป็นความกล้าหาญความอาหานความไม่ท้อถอยความขมักขม็นในจิตใจที่จะปฏิบัติถ้าความเพียรเต้นๆ น, นี้เขาเรียกว่าอาตาปีอาตาปีเนี่ยเป็นความเพียรที่ต้องเอาชนะใจเราบ้างเพราะว่าไอ้ไอ้ตัวกิเลตันหาเนี่ย บางทีถ้ามันมากแล้วมันมันดึงจิตเรามันมาครอบงำจิตเราทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะเข้าสู่สมาธิได้มันมากัน้นมันมาขวางมันเป็นนิวรนคอยกัน้นคอยขวางอยู่เราก็ต้องค่อยเอาชนะจิตเราด้วยถ้าเราอ่อนแอเราทำตามอำนาจของกิเลสตนาอุปท า, านนี่ยจิตเรามันไม่มีกำลังพอเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาถึงที่นี่เราก็ต้องมาป่าลบสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงอบรมสั่งสอนเรา แล้วก็ประทานคําสอนเอาไว้เพื่อให้เราได้ปฏิบัติตามแล้วก็เพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางอันเดียว ก, กันกับที่พระองค์เข้าถึงแล้วด้วยต้องอย่างนี้ด้วยนะนคือจิตของพระองค์ไม่มีทุกข์เลยอ่ะมันไม่มีทุกข์เลยอะย่ะเมื่อเรามาถึงเราจริงปลอบว่าเออพระองค์ก็ยังมีกรรมอยู่นี่ก็เพื่อไม่ต้องมีทุกข์อะไรอ่ะอะไรจะผ่านเข้ามาเอ้ายอมรับได้เราเคยทํามาเราเคยทําใครเอาไว้เราลึกไม่ได้หรอกแต่แต่ว่า ไปกรรมเนี่ยมันมันไม่ไปิดปะละ เ, เว้นถ้ามันมีขึ้นมาจัด ก, กรรมในอดีตก็ตามกรรมในปัจจุบันก็ตามอ่ะยอมรับมันเลยแต่ว่าเรามีหลักว่าเราจะพยายามแก้ไขถ้าหาว่าสิ่งไหนก็ตามที่มันเป็นข้อผิดพลาดบกพร่องของเราถ้าเรายอมรับจะแก้ไขมันดีขึ้นมาทันทีเลยนะพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้เหมือนกันในเมื่อมันผิดพลาดบกพร่องแล้วเราทําแล้วจะปฏิเสธว่าไม่ได้ทํามันไม่ได้หรอกยอมรับทำก็ทํา แต่จะแก้ไขแค่แก้ไขนี่มันดีขึ้นมาแล้วน ะ, ะมันตรงกับคําสอนของพุทธเจ้าทุกพระองค์นะจากนั้นกรรมอะไรดีกรรมอะไรดีก็พยายามที่จะทําขึ้นมาให้มันดีกรรมดีที่สูงที่สุดก็คือนี่แหละการที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่ออยู่เหนือกรรมเพื่อออกจากกรรมเพื่อสิ้นกรรมสิ้นกรรมก็คือสิ้นทุกข์หมดทุกจิตใจเข้าสู่ความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดอันนี้แหละเป็นเส้นทางของพระพุทธเจ้า เพราะนั้นสติของเราก็ต้องสำรวมเข้ามาควบคุมจิตเมื่อจิตของเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราตั้งใจฟังอย่างเนี้อันนี้จิตของเราก็เป็นสมาธิแล้วจิตของเราไม่ไม่ไม่หน่อไปทางไหนเลยนี่โดมันตั้งมันขึ้นมาแล้วธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมันก็สอดแทรกเข้าไปในจิตของเรามันไปแทนที่ความรู้สึกนึกคิดความคิดความเห็นของเราธรรมะของพระเจ้าก็เข้าไปอยู่ในจิตใจของเรา เมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยท่านแม่ของพระเจ้าเนี่ยก็คือต้องให้มารู้ความจริงว่ามารู้เกี่ยวกับตัวเรานี่แหละต้องรู้ให้ชัดรู้ให้แน่วแน่รู้ให้แน่นอนรู้ให้มันแจ้งให้มันชัดเจนจริงเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนานในว่ารู้ชัดรู้แจ้งรู้บ่อยๆด้วยรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆจนกระทั่งจิตมันปล่อยวางได้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้ถ้ามันรู้แล้วมันจะปล่อย รู้แล้วก็เหมือนเห็นเน่ยเหมือนเห็นในความรู้สึกอ่ะอย่างเช่นเราตอนนี้เราอาจิตของเราเนี่ยเอามาสัมผัส ด, ดูกายเอามารับรู้ที่ร่างกายเอามารู้ที่ตัวเรารู้ที่เวทนาหรือว่ารู้ที่จิตเมื่อเมื่อก็คือมารู้ที่ตัวเราแล้วเนี่ยมันก็มารู้ที่กายเรารู้อยู่ที่จิตของเราแสดงว่าจิตของเราต้องไม่ออกไปข้างนอกต้องกลับเข้ามาอยู่ข้างในเมื่ออยู่ข้างในกําลังจิตต้องพอถ้ากําลังจิตไม่พอนี่มันมันเข้ามามองดูตัวเองไม่ไม่ได้เพราะว่ากําลังไม่ถึง มันจะต้องอยู่นิ่งๆเหมือนกับว่าคอยระวังไม่ให้จิตเล่นรอดออกไปขั้นนี้เป็นขั้นที่กําลังเจริญสติกําลังทําสมาธินี่แหละกาลังทําสมถาากรรมฐ า, านเพื่อให้จิตของเราอยู่สักก่อนอยู่กับอารมณ์เดียวสะก่อนเพื่อจิตมีกําลังสะก่อนทีนี้ถ้าหาว่าจิตเรามีกําลังขึ้นมาแล้วมันเอามาสัมผัส ด, ดูกาอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกเลยว่าเออจิตเนี่ยเป็นผู้ดูร่างกายเป็นสิ่งถูกดูนี่มันคนละส่วนแล้วนี่ เ, เวทนาขึ้นมาก็จิตก็เป็นผู้ดูอีกเวทนาก็ถูกดูอะไรที่เด่นละ่ะระหว่างกายระหว่างเวทนาหรือว่าจิตนะความรู้สึกอะไรที่มันเกิดขึ้นมามันเด่นขึ้นมาก็ดูมันไปเนี่ยจริงพระพุทธเจ้าจริงสอนว่ากายดูกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามดูกายเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามดูเวทนาจิ ต, ตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามดูจิต ทีนี้ถ้าเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเราอ่ะมันอยู่ของมันน่ะ <S <S 1> <S 1> เหมือนเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนเหมือนเป็นอสักอย่างเหมือนเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งมีหนวาดูธรรมไปแล้วแทนที่จะไปดูว่ามันกายกายมันก็มาดูว่าเอ้ยเหมือนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนกับไม่ใช่ของเรานี่คือดูธรรมหมายว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วมันมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็อยู่ของมันมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันนี่เนี่แสดงว่ามันมันมองไปที่ธรรมแล้วก็เป็นธรรมมานุปัสนาสติปฐาน ดูเวทนาก็เหมือนกันเอาเวทนาอยู่ที่ร่างกายนี่นะมันเป็นเรื่องของเวทนานี่ยนะหรือมันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งไม่ต้องมีสมมุติก็ได้บางทีมันเจาะเข้าไปจ่อเข้าไปเวทนาเหมือนกับอยู่ในจิตเลยนะเหมือนกับจิตเนี่ยสัมผัสกับเวทนากายไม่มีเลยก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกภายในจิตบางทีมันก็ยังเอ่ยว่าเออมันอยู่ที่ร่างกายนะไม่ใช่จิตนะไม่ใช่เรานะมันต้องมีการบอกการสอนด้วยเพราะจิตของเรามันหลง จะภาคบ้างสอนไปบ้างอะไรไปบ้างไม่เป็นไรเพราะว่ามันเอาความจริงมาสอนจิตนี่เราเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการเอาจิตไปมองดูแล้วก็อธิบายยกธรรมะธรรมะในทีตอนแรกก็เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าหรือว่าครูบาอาจารย์เอามาสอนแนะนำอธิบายให้เราฟังแล้วเราก็น้อมเข้ามาเป็นปัญญาของเราถ้ามันมองเห็นปับ๊บไม่ใช่ของเรา เนี่ยมันปล่อยวางได้ตามที่คําสอนนั้นบอกเอาไว้นี่เป็นปัญญาของเราทันทีเลยเป็นธรรมะของเรานี่เราคือธรรมานุปัสนาสติปฐานมีสติตามดูธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยธรรมานุปัสนาสติปฐานเนี่ยมันตามมาทีหลังอย่างอื่นมันมาก่อนกายบ้างเวทนาบ้างจิตบ้างแต่ช่วงไหนที่มันเห็นว่าไม่ใช่เราขึ้นมาเมื่ อ, อไหร่เห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นธรรมชาติของมันเนี่ยอันนั้นเป็น ทำมานุปัสนาสติปฐานตามดูธรรมเพราะจะดูอะไรก็ตามเวลาเราปฏิบัติก็มีทั้งสุขบ้างทุกบ้างมันก็เกิดขึ้นได้หมดอะในขณะที่เราเป็นสมาธิอะบางทีจิตของเราเนี่ยมันก็รู้ขึ้นมาอ๋อวันนี้จิตเราตอนนี้มันสงบดีนะมันนิ่งนะมันพอใจที่จะปฏิบัตินะมันลื่นเริงบันเทิงนะมันเบิกบานนะนี่คือพวกญาณเรียกว่ายาณก็ได้ เป็นความรู้ของจิตรู้เรียกว่าสัมปชัชญะก็ใช่นี่เลยเรียกว่ามีสติสัมปชัชญะคือมันขยายความรู้กว้างขวางขึ้นถ้าหากว่าความรู้ที่ในในขั้นสมถะมันเป็นความรู้ที่เกิดจากสมถะกรรมฐานแล้วก็มันบางทีมันเป็นความรู้ที่ทําให้จิตของเราเนี่ยมันมีกําลังเพิ่มขึ้นมีความสงบมีความลึกซึ้งมากขึ้นแต่ถ้าหากว่ากําลังมันมากจนเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา หมายว่าจิตเนี่ยมันมันเข้าไปหาจิตเหมือนกับกระแสของจิตเนี่ยมันไม่ไม่สายออกไปอ่ะจิตมันมั่นคงเหมือนมันหดตัวเข้ามาเป็นจิตเข้ามาอยู่กับจิตทีนี้อะไรเกิดขึ้นก็ตามน่ยจิตไม่ถล่มเข้าไปอ่ะอย่างเวทนาองนี้มันก็เวทนาก็เหมือนมันมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นอ่ะจิตก็เป็นจิตยจิตก็เลยเป็นกลางกลางอยู่นี่จึงยกว่าทางสายกลางไม่มีอะไรที่จะไปไปดึงดูดจิตทําให้เกิดความยินดียินร้ายได้จิตเป็นจิต จิตเป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายจิตก็เลยเหมือนมองเห็นหรือว่ารู้สึกขึ้นมาได้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอะ่ะมันอยู่ของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าอะไรจะผดขึ้นมาในกายเราในจิตเราคือในกายร่างกายมันก็ต้องทำงานไปอะ่ะแม้แต่ลมหายใจเนี่ยบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงได้นะบางทีธาตุลมอัเ น, นียบางทีมันก็แสดงความเป็นาธาตุลมอะ่ะ แต่ตอนแรกก็เป็นลมหายใจต่อมามันอาจจะไหวไๆๆมันอาจจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาวิ่งไปวิ่งมาได้ลมหายใจอาจจะเหมือนไม่มีแต่ว่ามีแต่ธาตุลมซึ่งมันแสดงตัวออกมาเพื่อให้เรารู้ว่านี่คือธาตุลมหรือธาตุดินมันก็สแสดงได้ด้วยอย่างเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยบางทีมันก็แน่นขึ้นมาอึดอัดขึ้นมาหนักขึ้นมาแล้วแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่านี่แหละเขาอยากให้รู้ความจริงว่าบังคับบัญชาฉันไม่ได้นะ เพราะนันน่นก็ต้องรู้ว่าแน่นเจ็บก็ต้องรู้ว่าเจ็บเพราะเราบังคับบัญชามันไม่ได้เพราะว่ามันกําลังจะประกาศความจริงว่าเราบังคับเขาไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งถ้าใครสามารถวางใจได้ถูกต้องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่นี่มันจะเจ็บปวดบีดคั้นทรมานบางคนบอกว่าเวลา น, นั่งสมาธิไปเหมือนอะไรบิดไสเลยเขาอ่ะ ดิฉันก็ ก, กัวไม่ว่าผีธรรมจริงๆแล้วนั่นแหละคือสภาวะธรรมอันหนึง่งบอกให้รู้ว่าบังคับบัญชาฉันไม่ได้เวลาปฏิบัติอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นได้เขาจึงเรียกว่าสภาวะธรรมสภาวะคือสภาพธรรมก็คือธรรมชาติหรือธรรมดามันเป็นธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในขณะที่เราปฏิบัติมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเพราะเราปฏิบัติมันเกิดขึ้นหน้าที่ของเราก็คือรู้ รู้แล้วก็คือรักษาจิตไว้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเราก็ฝึกจิตเราให้เป็นกลางเลื่อยไปจิตของเราก็เข้มแข็งขึ้นทีนี้ถ้าเราฝึกกําลังมันมากขึ้นอะไรเกิดขึ้นก็าตามไม่ว่าทางกายทางจิตละ่ะแม้แต่จิตเองบางทีเรื่องราวอะไรมันก็ผุดโผล่ขึ้นมาได้นะบางทีเรื่องในอดีตเรื่องเวลวร้ายซึ่งเราไม่เคยสนใจมันเลยอะมันจบไปแล้วอ่ะอยู่ดีๆีมันโผล่ขึ้นมาโอ้กระทบกระเทือนจิตใจ หรือบางทีมีเรื่องคนนั้นบ้างเรื่องคนนี้ผุดขึ้นมาโอนมีความนึกถึงรุนแรงนั่นแหละมันเป็นเรื่องของจิตเราบังคับบัญชามันไม่ได้มันจะมีเหตุผลอะไรก็ตามแต่หน้าที่เราต้องเห็นมันเห็นมันว่ามันเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันอยู่ของมันมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราบางคนก็แน่นหน้าอกขึ้นมาบางคนก็ปวดไหล่ปวดแขนปวดขาที่หมดอ่ะนั บางคนบางคนก็ตัวมันอยากโยกอยากโค้งอยากอะไรเราต้องรู้หมดเลยแล้วรักษาจิตอย่างเดียวไม่ยินดีไม่ยินไายบางทีอะไรบุกเข้ามาวิ่งไปวิ่งมาผักบ้างทุกบ้างกระตุกบ้างน้าที่เรารักษาจิตไม่ยินดีไม่ยินไายเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาจิตได้อย่างนี้จิตของเรามันพัฒนาขึ้นเรื่อยเรื่อยเื่อจากนั้นสภาวธรรมเนี่ย ถ้าเรามองดูจิตเมื่อไหร่มันจะมีเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนเกิดดับเกิดดับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่คนที่ปฏิบัติเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรที่มันยุบยับยุบยับยุบยับอะไรมันอยู่ข้างในอะ่ะอยู่ลึกซึ้งอะอันนี้หมายว่าเราปฏิบัติแล้วจิตมันลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆการที่มันเห็นแจ้งความจริงประจักษ์ใจเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่ามองดูตัวเองแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมียานอะไรเกิดขึ้น ทำให้ความรู้ความเข้าใจเห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันเป็นกระแสความเกิดดับสืบตอบกันไปเฉยๆความรู้ความเข้าใจนี้มันจึงทะลุออกไปถึงข้างนอกได้เหมือนกบมองอะไรไปก็ตามนึกอะไรขึ้นมาก็ตามสิ่งเหล่านั้นต้องเกิดแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองสิ่งนั้นก็ยังอยู่นั่นแหละแต่ว่าความรู้สึกในจิตใจของเรามันรู้ขึ้นมาได้ว่าสิ่งทั้งหลาย สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปเป็นธรรมดามีความเป็นธรรมดานมันเข้ามาอยู่ในจิตเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยมันจึงมีความทนทานอยู่ในจิตของเราจิตของเรามันจึงมีความแข็งแกร่งเหมือนกับว่ามันผ่านการฝึกฝนอบรมแล้วมันรู้มันเข้าใจความจริงแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นปัญญาที่เกิดจากภายในจิตเกิดจากการปฏิบัติ เกิดจากการที่จิตเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความจริงแจ้งชัดประจักษ์ใจจริงๆมันถึงจะปล่อยวางได้ทีนี้ถ้าหากว่าเรายังปล่อยวางไม่ได้ล่ะนี่แหละกาลังเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างน้อยเราได้เริ่มต้นละชาตินี้ได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นไรขออย่างเดียวว่าเราทําอะไรอยู่ก็ตามถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมให้จิตของเรานี่ยกเอาการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ย เอามาเป็นหลักของการดําเนินชีวิตเราเราจะทําอะไรอยู่ก็ตามเราจะถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมได้ยิ่งดีเลยได้ทั้งงานด้วยได้ทั้งธรรมะด้วยได้งานด้วยได้บุญกุศลด้วยมีชีวิตอยู่ด้วยบุญกุศลเพิ่มพูนขึ้นด้วยจิตใจก็มีแต่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตามที่จิตมันเข้ามาอยู่ข้างในเข้ามารู้เข้ามาเห็นมาแจ้งมาชัดภายในเนี่ยมันจะค่อยๆล้างความหลงผิดที่ไปเที่ยวยึด เอาเรื่องนั้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาแล้วมากุ้มลุมจิตตัวเองอะ่ะแต่ก่อนนี้มันมีแต่จะโทษข้างนอกมันไม่รู้เลยว่าเป็นเพราะจิตของตัวเองไอ้จิตที่โง่ไอ้จิตที่หลงแต่ว่าความโง่ความหลงมันหนานแน่นมากจนกระทั่งไม่สามารถเห็นเหตุของมันว่าเกิดจากจิตของเราที่มันโง่มันหลงนี่เองแต่ว่ามันจะไปโทษข้างนอกสุวตาเห็นปั๊บ มันไม่ชอบใจขึ้นมานี่มันทุ่งออกไปเลยคนนั้นทําให้เราไม่พอใจไม่ถูกใจจิตมันทุ่งออกไปแทนที่จะมาดูว่าเฮ้ยมึงมึงออกมายุ่งกับเขาทําไมเนี่ยตัวมึงนี่แหละตัวการมันไม่ใช่อย่างนั้นเติมเพราะเขาหมดเลยเป็นเพราะคนนั้นเป็นเพราะคนนี้เป็นเพราะเรื่องนั้นเป็นเพราะเรื่องนี้เหตุการณ์ตรงนั้นการตรงนี้นนนไม่ใช่อย่างนั้นก็คงไม่เป็นอย่างนี้ถ้าคนนั้นไม่ทําอย่างนั้นเราก็คงไม่เป็นอย่างนี้มันมีแต่จะโยนออกไปข้างนอกสัต์ โทษคนอื่นหมดซัดโทษออกไปข้างนอกหมดมันไม่สามารถตบเข้ามาโทษจิตของตัวเองที่ไม่ได้รับการอบรมไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นจินตามพระพุทธเจ้าสอนถ้ า, าว่าเราได้เดินตามทางของพระพุทธเจ้าก็มีหวังแล้ทีนี้เอาชาตินี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรสร้างบา ร, รมีนะ้นี่อย่างน้อยก็เป็นบา ร, รมีแล้วเหมือนกับภาษาลีบุตรท่านฟังธรรมปั๊บบรรลุธรรมได้ ก็เพ่านสร้างเอาไว้แล้วอ่ะแต่ก่อนทําไมท่านถึงจะมาบรรลุชาตินี้ก็เพราะท่านไม่ได้บรรลุชาติก่อนๆแต่ชาติยัก่อนท่านทําไหมโหท่านทํามาเป็นปสงค์ขายเลยภาษาลิบุตธรรมโมคลานะเหล่าเนี้กว่าที่ท่านจะมาบรรลุธรรมเอามาพูดให้ชาโมคลนะฟังฟังปั๊บก็บรรลุาตามอีกเพราะสร้างมาพอแล้วขอให้ให้รู้ความจริงว่ามันไม่ใช่อย่างมีล็อกไปจากเหือจิตของเรานี่เองที่มันง่วมันหลงให้เข้ามาดูตรงนี้ เขามาดูตรงนี้มันก็เห็นทีทนี้นมันขับไล่ความหลงไปแล้วโอ้เห็นมันอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยมันหลงแต่ยึดนั้นนั้นนันนี้มาทําให้ตัวเป็นทุกข์เพราะความหลงนี่เองหลงแล้วก็ยึดมั่นถือมัน่นหลงเรามีตัวมีตนความหลงนี่แหละที่มันปิดกั้นแล้วมันก็พาให้เราเวียนว่ายตายเกิดเพราเรามาที่นี่เนี่ยนี่แหละคือมหาบุรุษองค์แรกที่เห็นความจริงอันนี้แล้วก็เอาคําสอนเนี่ยถ้าหาว่าพระ อ, องค์เนี่ยสามารถหยิบยืน่น เอาเข้าไปในจิตของเราโดยตรงได้เนี่ยพระองค์ก็คงทําไปหมดแล้วแต่พระองค์บอกว่าพระองค์เป็นแค่ผู้สอนนะต้องบอกประทานคําสอนเอาไว้เท่านั้นเป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่ต้องปฏิบัติดูสิจุดหมายปลายทางมีอยู่แล้วเนี่ยพระองค์บอกจุดหมายปลายทางมีอยู่แล้วคือความไม่มีทุกข์หรือถึงพระนิพพานทางก็มีอยู่แล้วคืออริยมรรคมีงแปดหรือเริ่มต้นตั้งแต่จเจริญสติเรื่อยไปผู้เดินทางหมายถึงใครอะผู้เดินทางเอาจริงหรือไม่ จะเดินไหมจะปฏิบัติไหมจะเอาไหมืหมอนกานี่สนาะสมบัติอันนี้มันมหาศาลเลยนะแต่ว่าการที่จะได้สมบัติอันนี้ต้องเดินทางต้องปฏิบัติถึงจะได้ถึงจะถึงเน่แล้วเอาไหมมันต้องถามตัวเองอย่างนี้ว่าเอาไหมถ้าใครเอาหัวาจากนี้ไปก็ต้องพยายามแล้วทีนี้ทำอะไรอยู่ก็ตามอะ่ะทีนี้ธรรมชาติของความหลงเนี่ยมันก็อยากเทินออกไปเพิดเพินออกไป มันก็มีเรื่องราวเพื่อเพื่นเนี่ยเรานึกถึงตัวเราก็ได้ถ้าหาว่าอยู่ประเทศไทยอ่ะเวลาเราทําอะไรเนี่ยโทรศัพท์มันก็วางอยู่ข้างๆไม่มีคนคุยมันมันก็ต้องอาศัยคุยทางโทรศัพท์อ่ะคุยไปบางทีนั่งอยู่เฉยๆเหงาอยากมีเพื่อนไม่มีเพื่อนก็ต้องอาศัยโทรศัพท์เมื่อในมันก็คือหาเพื่อนหาทางที่มันจะออกไปแต่ถ้าหาว่าเราเราเห็นมันมันนีความจําเป็นอะไรคุยกันแล้วมันเรื่องสําคัญขนาดไหน มันสําคัญจนต้องพูดกันไหมถ้ามันไม่สําคัญเราก็วางเอาไว้เราก็พยายามที่จะมารักษาจิตใจของเราแต่ก่อนนั้นไม่มีหลักโทรศัพท์ก็ยังอยู่กันได้เพราะมีโทรศัพท์แล้วเนี่ยถ้าใครไม่มีโทรศัพท์ไม่ได้แล้วแต่ละวันแต่ละวันนินมันเหมือนกับว่ามันขาดไม่ได้เลยแต่ยอมรับว่าบางอย่างก็จําเป็นนะเพราะว่าโลกมันเจริญขึ้นมาไอ้ใช้เทคโนโลยีแล้วแต่ว่าเราใช้เท่าที่จําเป็นไม่งั้นแล้วมันมันจะเสียเวลามากเลยนะในโทรศัพท์เนี่ย บางทแีแค่ไปดูอะไรต่ออะไรอยู่ในนั้นน่ะมันก็เสียเวลาไปหมดแล้วก็ต้องมาดูตัวเราเองนี่แหละ ว, ว่าเราเนี่ยระหว่างธรรมะกับสิ่งที่รื่นเริงบันเทิงอะ่ะเราเลือกอันไหนอะ่ะถ้าใครพยายามที่จะหานมาเลือกธรรมะก็แสดงว่าจิตเนี่ยแหละมันเข้าทางแล้วมันเหมือนกับว่ามันเข้าไปถึงจิตใจแล้วใจมันไม่ถอยแล้วมันมุ่งที่จะเดินตรงไปตามรอยพระบาทของพุธเจ้าแล้ว แต่ถ้าใครเมันอิดออดอยู่เรื่อยเลยนะผัดวันประกันพุง่งดูอนุ่นก่อนดูอันนี้ก่อนอ น, น, อ น, นี่คือเรียกว่าประมาทนะะผู้เจ้าใช้คําว่าประมาทคือทําอย่างนั้นนะมันทําให้นุ่นช้าทําให้มันไม่พ้นทุกอะมันนุ่นช้ามันมาปิดกั้นการออกจากทุกเพราะจิตใจของเรามันมีทุกอยู่ตลอดเวลาเลยอะมันมันพร้อมที่จะเกิดทุกอยู่ตลอดถ้าเราไม่รู้ที่จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไม่พึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้า เราก็จะไม่มีที่พึ่งถ้าจะปฏิบัติง่ายๆก็คือผู้เจ้าก็เคยประทานเอาไว้เหมือนกันคําสอนว่าจิตของทุกคนเนี่ยประภัดสอนอยู่แล้วอ้เรนี้ก็คือล้างทุกอย่างเลยประพัดสอนเลยรัดสั้นเลยตรงเข้ามาาจิตเลยประพัดสระมีดังพิกาเวจิตตังดูก่อนพิกูุนทั้งหลายจิตทุกคนประพัดสอนอยู่แล้วถ้าันไม่จริงพู้เจ้าจะสอนอยังไงจะสอนทําไมก็แสดงมันจริง แสดงว่าจิตเรามันประภัฒสอนอยู่แล้วเราก็ล้างทุกอย่างออกไปไม่ต้องให้มันเข้ามาประภัฒสอนคือผ่องใสมีแสงสว่างอยู่ในตัวเองมีรัศมีมีความสงบเยือกเย็นมีความสุขความสบายอยู่ในตัวเองมันสงบร่มเย็นอยู่แล้วพูด ง, ง่ายๆอย่าไปเอาเรื่องข้างนอกเข้ามาเลยมันทําให้จิตมีซัดทรายทำให้จิตมันรุ่มร้อน ทาให้จิตเศร้ามองทำให้จิตคุณนัวทำให้จิตคุณเครืค่องเพราะนั้นเราก็ต้องทิ้งทุกอย่างเข้าไปหาความประพัดสอนเข้าไปหาความผ่องใสของจิตให้จิตดั้งเดิมของเราเนี่ยอยู่กับธรรมชาติของมันมันสงบอยู่แล้วก็อยู่สงบสบายสบายเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าให้ระวังอย่างเดียวอะ่ะกิเลสซึ่งมันเป็นอาคารตุ ก, กะจรเข้ามามันจรเข้ามาด้วยนะก็แชดงอารมณ์ทั้งหลายเป็นเหมือนอาคารตุกกะ เป็นเหมือนแขกมันจะจอเข้ามาจอเข้ามาแล้วมากุ้งลุมจิตมาคอดงาจิตนี่ในะการที่จิตของเราไม่เป็นอิสระก็เพราะอารมณ์ทั้งหลายที่จริงมันเป็นแค่แขกมันมาทีหลังมไม่ใช่จิตของเราจริตของเราประพัฒสอนจิตของเราผ่องใสจิตของเราเป็นธรรมชาติไม่มีอารมณ์อะไรมาเจือวปนแต่ว่าอุปจิเลต กิเลสทั้งหลายมันเป็นเหมือนแขกเหมือนอาคารตุกกะมันจรเข้ามาเดี๋ยวเรื่องนั้นบังเรื่องนี้บางนีมันจรเข้ามาเพราะนั้ น, เ, น, เ, นร เ, าาเราต้องไม่เอาแล้วไม่รับแขกแล้วในเมื่อรู้แล้วมันเป็นแขกถ้าเรายอมรับคําสอนของเจ้าอย่างนี้เราจะแก้ได้แก้จิตเราได้มันจะเกิดความยินดีขึ้นมาก็เป็นแขกเกิดความยินร้ายขึ้นมาก็เป็นแขก ine, โมโหก็ ok เป็นแขกไม่ชอบใจก็เป็นแขกมีดลาคาญก็เป็นแขก ลอยเนื้อต่าใจก็เป็นแขกไม่สบายใจก็พกแขกนี่เราไม่รับแขกแล้วทีนี่เอาแล้วเราจะสํารวมจิตใจบูชาพระพุทธเจ้านะเอาร่างกายของเราเลยจิตใจของเราเลยเอาคําสอนพระพุทเจ้าเข้ามาอบรมจิตเราสอนจิตเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่พูดแล้วทีนี่จะให้ปฏิบัติตามลําพังต่างคนต่างอุทิศชีวิต ร่างกายจิตใจของเราเลือดเนื้อวิญญาณทั้งหมดประมวลเข้ามาเลยวันนี้เราเตรียมตัวนะเนื่องจากคณะก็จะมาเยอะแล้วนะเราก็จะใครอยากจะตั้งปณิธานอะไรนี่ซึ่งเหมือนกับว่าเรามาถึงที่ประทับของพระองค์แล้ว เหมือนกับใจปารบกับพระองค์เหมือนกับมีพระองค์เป็นประจักษ์เป็นพยานถึงพระองค์ปอินนิพพานไปแล้วก็ตามอนุภาพของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณรวมทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่สามารถเป็นประจักษ์เป็นพยานให้แก่เราได้จากนั้นก็รวบรวมบุญของเรานะ ประมวลบุญของเราเตรียมอุทิศบุญนะขออํานาจพระพุทธเจ้าอํานาจพระธรรมอํานาจพระสงฆ์จงดนบรรดาลบุญของข้าพาเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้แก่ญาติทั้งหลายของข้าพาเจ้าเทวดาที่รักษาข้าพาเจ้าเจ้ากรรมนายเวรของข้าพาเจ้าให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเวร พ่อแม่สามีภรรยาลูกหลานพี่น้องผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเวรของผู้ที่มีส่วนในการจัดให้มีการมาประพฤติปฏิบัติธรรมผู้มีส่วนในการบริหารจัดการดูแลแก้ปัญหาหรือว่าช่วยกันดูแลทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยราบรื่น ทำให้การปฏิบัติธรรมมีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่ปกปักรักษาคุ้มครองสถานที่แห่งนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในบริเวณนี้ให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในบ้านเรือนที่ทํางานร้านค้าบริษัท คลินิกโรงงานโรงแรมไร่นาสวนที่ดินในสมบัติพระสถานทุกชิ้นทุกอันของข้าพเจ้าให้กระดวงวิญญาณทั้งหลายที่กําลังต้องการบุญจากข้าพเจ้าอยู่ในขณะนี้ทุกชั้นทุกภูมิขอท่านทั้งหลายจงยินดีรับเอาบุญของข้าพเจ้าด้วยเถิดเมื่อรับเอาบุญแล้วต้องการสิ่งใดก็สมความปรารถนาะด้วยอานาจแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศแห่แล้วนี้ เมื่อสมความปรารถนาแล้วให้ปกปักรักษาคุ้มครองดูแลเวยเหลือกนั้นข้าพเจ้าทําสิ่งใดก็ให้มีแต่ความราบรื่นมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้ยิ่งขึ้นไปด้ยเถิดข้าพเจ้าจะมันทำบุญแล้วก็กิดบุญไปให้เรื่อยไปแล้วก็การเดินทางของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้แค็งแกร่งปลอดภยัยมีความสะดวกมีความลงตัวอย่าได้มีอุปสรรคใดๆ ต่อไปเลยแล้วก็สำรวมจิตใจเราอยากอุทิศบุญให้ใครเพิ่มเติมเราก็ทำได้